วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบตุลาคมพุทธศักราชสอง5ันห้าสห้าขึ้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนส1บเอดเป็นวันสุดท้ายของการจำพรรษาของพระภิกษุสสำหรับปีนี้พรุงนี้จ จะเรียกว่าเป็นวันออกพรรษาวันนี้เป็นวันพระวันฟังธรรมวันศึกษาความจริงของชีวิตธรรมะก็คือความจริงความจริงที่เราต้องการจะศึกษากันก็คือความจริงที่เกี่ยวกับตัวเราเองและเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เพื่อที่เราจะได้ไม่มีปัญหาวุ่นวายใจต่างๆตามมาถ้าเรารู้สัจธรรมความจริงของตัวเราเองและของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย สาเหตุของความวุ่นวายใจของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจนั้นเกิดจากความไม่รู้ความจริงที่ทางภาษาพระท่านเรียกว่าอาวิชาวิชาคือความรู้อะคือความไม่อวิชาก็เลยกลายเป็นความไม่รู้ ไม่รู้ทำไม่รู้ความเป็นจริงของตัวเราเองและของสิ่งต่างๆที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่เรารู้นี้มันไม่ได้เป็นความจริงมันจึงทำให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายใจตามมาถ้าเรารู้ความเป็นจริงแล้วความวุ่นวายใจต่างๆก็จะไม่มี การศึกษาธรรมะนี้ก็เพื่อศึกษาให้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงของตัวเราและของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะได้ดับความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเบื้องต้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าเราเป็นอะไรกัน เราเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราไม่ได้มาเรียนธรรมะเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราร่างกายที่มีอาการสามสิบสองนี้คือมีผมมีขนมีเล็บมีฟัน <c oughs> มีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมีอาการอวัยวะต่างๆอยู่ภายในร่างกายนี้ ว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งตามหลักทำความเป็นจริงนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราคือใครเราก็คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณหรือกายทิพย์อันนี้แหละคือตัวเรา ตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดที่อยู่ในโลกทย์ไม่ได้อยู่ในโลกที่ร่างกายอยู่กันในขณะนี้ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้มาครอบครองร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาตามลาดับต่อไปแต่ใจผู้มายึดมาติดกับร่างกายนี้ไม่รู้ความจริงอันนี้คิดว่ามีร่างกายอันนี้แล้วจะอยู่กับมันไปตลอด อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาในเบื้องต้นศึกษาให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นนายเราเป็นใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจวันนี้อยากจะมาวัดอยากจะมาทาบุญอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมก็สั่งการไปที่ร่างกายให้ออกเดินทางมาที่วัดเพื่อที่จะได้มาทาบุญมาฟังเทศฟังธรรมนี่คือความสัมพันธ์ ระว่างใจกับร่างกายใจนี้คือผู้รู้ผู้คิดเป็นกายที่อยู่ในโลกทิพย์ซึ่งไม่ใช่เป็นโลกที่ร่างกายที่อยู่กันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เชื่อมต่อด้วยกระแสของการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณในขันวิญญาณในขันก็คือมี์ห้าวิญญาณด้วยกัน ที่มาเชื่อมต่อกับตาหูจมูกร่างกายของร่างกายวิญญาณทางตาก็จะมารับรูปที่ตาได้สัมผัสได้เห็นเพื่อใช่จะได้รู้ว่ามีรูปอะไรบ้างหูก็ไว้รับเสียงวิญญาณก็รับเสียงจากหูเข้าไปสู่ใจผู้รู้อีกทีหนึ่ง วิญญาณส่งกระแสวิญญาณใจส่งกระแสวิญญาณมาห้ากระแสด้วยกันมาติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มารับรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆอันนี้แหละคือเรื่องของ ของใจกับร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันอยู่คนละโลกร่างกายนี้อยู่ในโลกกทาดส่วนใจนี้อยู่ในโลกที่ติดต่อกับร่างกายสั่งการร่างกายให้ทำลายต่างๆผ่านกระแสของความรู้สึกนึกคิดรับรู้รูปเสียงกลิ่น ด, ด้วยสัญญาด้วยวิญญาณแล้วก็สั่งการด้วยสังขารความคิดปรุงแต่ง เวลาเราคิดอะไรนี่เราเรากำลังสั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรอย่างหนึง่งสั่งให้ลุกสั่งให้ยืนสั่งให้เดินสั่งให้นั่งสั่งให้นอนสั่งให้รับประทานสั่งให้ดื่มอันนี้ต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งของใจใจมีเครื่องมืออยู่สี่ข้อด้วยกันสี่อย่างด้วยกัน คือหนึ่งวิญญาณที่เราได้พูดถึงวิญญาณมีหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกริ้นกายแล้วก็พอมีรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาใจก็มีสัญญาเป็นผู้ที่จะหมายรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นรูปแบบไหนเช่น รูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปสุนัขรูปแมวรูปอะไรต่างๆอันนี้เป็นสัญญาแล้วพอสัญญารับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดไหนดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาในใจ สิ่งที่ชอบถ้าได้สัมผัส ร, รับรู้กับสิ่งที่ชอบอก็เกิดความสุขขึ้นมาถ้าไปสัมผัสรัรบรู้กับสิ่งที่ไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เฉยๆที่เป็นกลางไม่ชอบก็ไม่เชิงรัดก็ไม่เชิงก็จะไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์จะรู้สึกเฉยๆ นี่คือพอรับรู้แล้วว่าสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้นั้นเป็นสิ่งที่รักที่ชอบหรือที่เกลียดชังหรือเฉยเฉยก็จะมีการสั่งการไปที่ร่างกายว่าให้ทำอะไรกับสิ่งที่ที่ได้รับรู้สิ่งที่ไม่ชอบก็ให้กำจัดมันเช่นเวลาถูกยุงกัดพอรู้ว่ายุงกัดปั๊บก็ตกมันเลย อันนี้ก็สังขารเป็นตัวสั่งการสั่งให้จัดการกับยุงที่มากัดเพราะไม่ชอบให้ยุงกัดไม่ชอบเวทนาที่เกิดจากการกัดของยุงเพราะมันเจ็บเรียกว่าเป็นทุกขเวทนาถ้าชอบก็สั่งให้ไปเอามาครอบคลองเห็นกระเป๋าสวยๆงามๆเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าที่ชอบที่ถูกใจ สังขารก็สั่งให้ร่างกายไปจัดการไปเอามาเป็นสมบัติ <Yeah. S 1> นี่แหละคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิด <Yeah. S 1> เป็นผู้สั่งการต่างๆให้กับทางร่างกาย <Yeah. S 1> ใจนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ มันไม่ไปทำลายร่างกายและไม่ไปทำลายใจได้ถ้าร่างกายนี้เกิดตายไปก็ตายไปเพียงแต่ร่างกายใจก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ่อย่างใดเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างยานอวากาศส่งขึ้นไป เพื่อไปสำรวจดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆผู้ควบคุมยานอวกาศนี้ไม่ได้อยู่ในยานอวกาศแต่อยู่บนโลกนี้แต่สามารถสั่งการควบคุมยานอวกาศได้ด้วยสัญญาณวิทยุติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศผ่านทางสัญญาณวิทยุยานอวกาศก็ถ่ายภาพ รับเสียงส่งมาให้ผู้ควบคุมยานอวากาศที่อยู่บนโลกนี้ส่วนยานอวากาศนี้อาจจะไปลงที่โลกพื้นผิวพระจันทร์ก็ได้หรือบางก็หรือโลกดาวอังคารก็ได้แล้วก็ไปสำรวจดาวอังคารว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้กับทางโลกผู้ควบคุมยานอวากาศอีกที ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับยานอวากาศนั้นมันก็เกิดขึ้นเพียงกับยานอวากาศเท่านั้นไม่ได้มาเกิดขึ้นกับผู้ที่ควบคุมยานอวากาศที่อยู่บนโลกนี้ฉันใดร่างกายกใจก็เป็นอย่างนั้นอยู่คนละโลกกันอยู่คนละที่กันร่างกายเป็นอะไรใจเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเอง แต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายถ้ามีถ้าเข้าใจความเป็นจริงว่าใจกับร่างกายนี้อยู่คนละที่ใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้อาการต่างๆของร่างกายเวลาร่างกายหิวใจก็รับรู้เวลาร่างกายอิ่มใจก็รับรู้ถ้าใจทำอะไรให้กับร่างกายได้ก็สั่งการ ถ้าร่างกายบอกว่าหิวใจก็สั่งให้ไปหาอาหารมารับประทานถ้า ห, หิวน้ำก็สั่งให้ไปหาน้ำมาดื่มถ้ากุวงนอนก็สั่งให้ไปนอนพักร่างกายกับใจจะส่งสัญญาณติดต่อกันไปมาอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกเราจะคิดว่า ใจกับร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเป็นไปด้วยแต่ความเป็นจริงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นร่างกายกับใจนี้อยู่คนละที่กันมีการสื่อสารผ่านตังสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นผู้ที่ส่งข้อมูลให้ต่อกันละกันใจใช้สังขารสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายก็ส่งสัญญาณผ่านทางวิญญาณใ ห, ให้ใจได้รับรู้ว่าตอนนี้ร่างกายพบเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สัมผัส ร, รับรู้กับอะไรหรือ ร่างกายเป็นอะไรอย่างไรมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกใจ น, นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นคือเรื่องของร่างกายกับเรื่องของใจเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลมาทุกข์มาหวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้น กับทุกร่างกายที่มาเกิดร่างกายทุกร่างกายที่มาเกิดนี้เมื่อมาเกิดแล้วก็วต้องมีการเจริญเติบโตเป็นเบื้องต้นเมื่อโตแล้วก็โตเต็มที่แล้วก็จะเข้าสู่สภาพชราเข้าสู่ความแก่ไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมากขึ้นไปตามลาดับ จนในถึงวาระสุดท้ายก็หยุดหายใจแต่ใจผู้ที่ควบคุมร่างกายผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะธรรมชาติของใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันเกิดของร่างกาย จนไปถึงวันตายของร่างกายใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่มีความรู้สึกรับรู้มีความรู้สึกสุขสุกทุกจากสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายแล้วส่งไปที่ใจแล้วทีนี้ปัญหาของใจนี้อยู่ที่ตรงไหน สถานภาพของใจของผู้รู้นี้อยู่เป็นอะไรกันแน่เป็นผู้มีสารภาพหรือว่าเป็นผู้ที่ต้องโทษอยู่ในคุกตารางตามตามการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นว่าสถานภาพของใจนี้เป็นผู้ที่ติดคุกติดตารางอยู่ในคุก ที่ชื่อว่าไกรภพหรือสังสารวันหรือวัตตะสงสารสังสารวัตรวัตตะสงสารนี่แปลว่าที่เวียนว่ายตายเกิดของผู้รู้ผู้คิดของใจของกายทิพย์ต่างๆพวกเหล่านี้เป็นกายทิพย์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัต อยู่ในไตรภพสังสารวัฏนี้ประกอบด้วยภพสามชนิดด้วยกันกามมาภพรูปภพและอรูปภพะภบัตามมาภพอรูปภพรูปภพนี้ก็เป็นกายที่แต่ละชนิดที่เป็นไปตามบุญตามบาปตามการกระทำของของใจเองของผู้รู้ผู้คิดเองจึงทาให ใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ต่างกันไปไม่เหมือนกันตอนนี้ใจของพวกเราผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันคืออยู่ในระดับของมนุษย์จึงทำให้เราได้มามีร่างกายของมนุษย์กันถ้าเกิดใจของเรานี้ต่ำกว่าระดับของมนุษย์เราก็จะไม่ได้ร่างกายเวลาเราเกิด เราจะไปได้ร่างกายของเดลฉานแทนเช่นร่างกายของนกที่ร้องอยู่นี่หรือของแมวของสุนัขของสัตว์ชนิดต่างๆพวกนี้เขาก็มีกายทิพย์เหมือนพวกเราและเราก็อาจจะไปได้ร่างกายของพวกนี้ถ้าเราไปกระทาบาปบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะไปปรุงแต่งให้ กายทิพย์ของเรานี้เปลี่ยนไปจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นสู่สิ่งที่ต่ำกว่าเป็นกายทิพย์ที่ต่ำกว่ากายทิพย์ของเดรัจฉานต่ำกว่านั้นก็มีกายทิพย์ของเปรตกายทิพย์ของอสุ ร, รกายและกายทิพย์ของนรกอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำบาปชนิดต่างๆ มากน้อยรุนแรงมากหรือน้อยมันก็จะทาให้ส่งให้เป็นทำให้ใจหรือกายทิพนี้กลายกลายพันไปกลายพันจากพันของมนุษย์อันนี้พวกเรานี่ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายของมนุษย์แล้วก็ตามแต่เรายังอาจจะกายทิพของเราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ได้ หากเราไปทำบาปอยู่มาอยู่เรื่อยๆ ย, ยิ่งทำบาปมากขึ้นเท่าไหร่ความเป็นมนุษย์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความเป็นเดรัจฉานหรือเปรตหรืออสุรกายหรือนรกก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆท่านแสดงไว้ว่าถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าการกระทาบาปนี้ เป็นผลเสียต่อกายทิพย์จะทำให้กายทิพย์เป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้คิดว่าเป็นความจำเป็นเช่นตบยุงบ้างยิงนกตกปลาบ้างเพื่อหามาเป็นอ า, ห า, า, นอาหารอย่างนี้ก็จะกายทิพย์ก็จะกลายเป็น ก, กายทิพย์ของเดรัจฉานไปถ้าทำบาปด้วยความโลภ อยากได้มากๆอยากมีมากๆ ก, ก็เลยไปโกหกหลอกลวงไปชอโกงไปขโมยของอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไปฆ่าพูดด้วยความโลภ ก, <ม>ก็จะเป็นเปรตกายทิพย์ก็จะกลายเป็นกายทิพย์ของเปรตไปลักษณะของกายทิพย์ที่ต่ำที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้คือจะเป็นกายทิพย์ที่มีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลง สัตเดรัจฉานนี้เขาอยู่เขาต่างกับมนุษย์ทางด้านกายทิพย์ทางจิตใจเขาจิตใจเขาหวาดระแวงหวาดกลัวต่อภัยรอบด้านมากกว่า ม, มนุษย์มนุษย์อยู่ในโลกที่ปลอดภัยกว่าความทุกข์เลยน้อยกว่าของเดรัจฉานถ้าเป็นของเปรตถ้ากายทิพย์เป็นเปรตกายทิพย์ก็จะทุกข์ด้วยความโลกคือความหิวความคามอยา ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วถ้าไปทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนก็จะกลายเป็นกายทิพย์หรือวิญญาณที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกข์กับความหวาดกลัวต่างๆแล้วถ้าไปทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้น อันนี้ก็จะกลายเป็นกลายทิพของนรกไปจะมีแต่ความทุกข์ร้อนเกล่ยดจากความโกรธเกิดความเกลียดอาฆาตพยาบาทขณดถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ก็จะเป็นลักษณะกินไม่ได้นอนไม่หลับอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมถ้าเป็นอสุรกายก็อยู่แบบหวาดกลัวกลัวเรื่องนั่นกลัวเรื่องนี้กลัวสิ่งนั่นกลัวสิ่งนี้อยู่ ถ้าเป็นเปรตก็อยู่แบบหิวโหยมีแต่ความอยากได้อยู่ไม่เป็นสุขต้องหาอะไรมาใหม่ๆมาเพิ่มมาเติ ม, ม, ตมอยู่เรื่อยๆด้วยการกระทำบาปต่างๆนี่คือลักษณะของกายทิพย์ของผู้ที่กระทำบาปาการตัวบาปนี่แหละเป็นเทวดาเป็นผู้ที่จะมาเปลี่ยนกายทิพย์ไม่มีใครมาเปลี่ยน การกระทำการกระทำบาปห้าสี่ประการสี่หรือห้าข้อนี้คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มของวุญนเมาเศษยาบ้าต่างๆที่จะทำให้ไม่มีสติคุ้มครองจิตใจที่จะห้ามปามเวลาจิตใจคิดจะไปทำบาปทำกรรม คนที่เสพจุรายาเมืเสพ ย, ยาบ้านนี้มักจะไปทําบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เสพเพราะคนที่ไม่เสพจะมีสติสัมปชัญญะรู้ผิดถูกดีชั่วรู้ว่ากําลังจะไปทําอะไรจะไปพูดอะไรถ้ารู้ว่าไม่ดีก็มีสติยับยั้งได้แต่สําหรับคนที่มึนเมาด้วยสุราหรือ ย, ยาเสพติดต่างๆนี้จะไม่มีสติ รครับความคิดของตนก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคิดอะไรก็ทำไปตามความคิดของตนจึงต้องห้ามไม่ให้เสพชวลายาเมาและของมึนเมาต่างๆเพื่อจะได้รักษาสติไว้ป้องกันการกระทำบาปที่อาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดนี่คือตัวที่ จะไปปรับแต่งตั ว, ตวกายทิพย์นี้ให้เป็นกายทิพย์ที่ที่ต่ำที่ที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเป็นกายทิพย์แบบเดรัจฉานกายทิพย์แบบเปรตแบบปศุละกายและแบบนรกอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาที่ทำบาปและเวลาตายไป ผลบาปจะแสดงผลอย่างเต็มที่ในขณะที่ไม่มีร่างกายนี้คาถาที่มีร่างกายนี้ผลบาปยังไม่มีโอกาสแสดงได้เต็มที่เพราะว่ากายทิพย์อย่างนี้ยังสามารถทำอะไรต่างๆได้อยู่ทำบุญได้อยู่ทำอะไรได้อยูอ่ก็ยังไม่สามารถที่จะส่งผลให้ได้อย่างเต็มที่แต่พอเวลาร่างกายนี้ตายไป กายทิพย์นี้ก็จะเป็นไปตามบาปที่ทําไว้ทันทีไม่เป็นเดรัจานก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายไม่เป็นอสุรกายก็เป็นนรกแล้วก็จะอยู่ในสภาพนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่ได้ทำเอาไว้มันหมดกาลังลงหมดกำลังที่จะที่จะทําให้กายทิพย์นี้เป็น สัตชนิดต่างๆก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาเองได้มาเกิดมาเีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบาปีกตามนิสัยเดิมยกเว้นว่าถ้าได้มาเกิดแล้วได้มาคบค้าสมาคมกับคนที่ฉลาดที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกที่จะคอยสอนคอยสั่งว่าอย่าไปทำบาป ถ้าหากห้ามนิสัยเดิมได้นิสัยที่เคยชอบทาบาตได้ก็จะเปลี่ยนใจป้องกันใจไม่ให้เสื่อมลงไปเป็นเป็นเลระชาน เ, นเป็นเปตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกได้และอาจจะปรับให้ใจนี้เป็นใจที่สูงขึ้นเป็นกายทิพย์ที่ดีขึ้นเพราะถ้าได้สัมผัส ได้พบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราอย่าทำบาปให้เรามาทำบุญกันดีกว่าทำบุญนี้จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็จะทำให้กายทิพย์ของเราเป็นกายทิพย์ที่ดีขึ้นสูงขึ้นจากกายทิพย์ของมนุษย์เราก็จะได้กายทิพย์ของเทพจากเทพถ้าเราทา บนที่สูงขึ้นไปเอกคือรักษาศีลปฏิบัติธรรมศีลแปปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเราก็จะได้กายทิพย์ของพรมของรูปประพมและอารูปประพมที่จะอยู่อีกภพหนึ่งต่างจากกรรมภพเน่พวกพรหมนี่เขาไม่เสพกลามแล้วเขาไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเขาเป็นนักบวช ขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เราจะถือศีลแปดอย่างน้อยขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดแล้วเวลาเขาอยากจะมีความสุขเขาจะไม่ไปดูหนังฟังเพลงไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆแต่เขาจะไปเข้าสมาธิเข้าฌานถ้าเขาชานาญในรูปฌานเขาก็เข้าในรูปฌานถ้าเขาชานาญในอรูปฌาน เขาก็จะเข้าไปในอรูปประชานถ้าเข้าในรูปประชานได้จิตของกายทิพย์ของเขาก็เป็นเป็นเป็นรูปประรมอยู่ในรูปประพบถ้าได้เข้าอารูปประชานได้กายทิพย์ของเขาก็จะอยู่ในอรูประพบเป็นอรูปประพ ร, ปประมที่มีความสุขที่สูงสุด ข, ของสั ง, ส, งสาราวัฏของไตพบ สามภพนี้รูปประพรมกับอารมูปประพรมนี้หรือรูปประพบกับอรูปประพบนี้เป็นภพของผู้ที่ไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกดลิ่นรสชนิดต่างๆเป็นผู้ที่เสพความสุขที่ได้จากรูปประชานกับอารูปประชานก็จะแยกออกจากกามภพไปส่วนพวกที่ยังเสพรูปรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะะอยู่ถ้า ทำบุญนักษาสี่งได้ก็จะเป็นกายทิพ์ของเทพไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพแต่ก็เป็นสวรรค์ที่ต้องเสื่อมได้หมดได้เช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นพรมเพราะว่าสิ่งที่ส่งให้ขึ้นไปอยู่นั้นเป็นของชั่วคราวหมดกําลังได้บุญที่ส่งไปเมื่อเสวยบุญหมด ก็จะบวชบุญบวชบุญก็จะตกลงจากสวรรค์แล้วก็มาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาได้ร่างกายของมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่เจ็บตายกับการมีร่างกายต่อไปพวกที่เคยทาบุญกลับมาก็จะชอบทาบุญต่อรักษาศีลต่อพวกที่ชอบเข้าสมาธิชอบเป็นนักบวช ก็จะไปบวชต่อก็แต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปสลับกันไปพอตายไปก็กลับไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือถ้าทำบาปตายไปก็ไปเป็นเดะชะฉานเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นนรกไปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของบุญของบาปถึงถือว่า กายทบนิสังสารวัฏ น, นี้เป็นเหมือนกับทุกตรางที่กาย ท, ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะต้องเจอกับความทุกข์ของการเกิดของการแก่ของการเจ็บของการตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีตําแหน่งมียศที่สูงก็ตาม แต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายยังต้องเจอความทุกข์อยู่เช่นเดียวกับผู้ที่มาเกิดเป็นคนยากจนขอทานคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยก็ต้องเจอความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกันยันสถานภาพของใจของของทุกคนหรือกายทิพย์ของทุกคนนี้ ตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันคือยังเป็นนักโทษอยู่เพียงแต่ว่าเขามีแดนแบ่งแยกให้สำหรับนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นไม่ดีนักโทษชั้นไม่ดีก็แยกไปอยู่ในอบายสี่สี่แห่งคือเดลชานเปตอสุลกายนารกนี้เป็นที่กักขังของพวกกายทิพที่นิสัยไม่ดีที่ประพฤติไม่ดี ชอบทำบาปทำกรรมเขาก็จะแยกไว้แดนหนึ่งส่วนพวกที่มีนิสัยดีชอบทำบุญชอบทำทานประพฤติตนดีไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้เขาก็ให้อยู่อีกแดนหนึ่งคือแดนสวรรค์แดนของเทพแดนของพรหมต่างๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นนักโทษอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้ออกจากปลายภพนี้ไป จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับการที่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอรหันตสาวกที่จะมาบอกวิธีให้เราออกจาก คุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้นี้จะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าหนึ่งว่าเป็นดวงวิญญาณเป็นกายทิพย์ที่ติดอยู่ในคุกตารางของของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายภพและจะไม่รู้วิธีที่จะทำให้ตนเองนี้หลุดออกจากคุกตาราง แห่งการวิยนว่ายตายเกิดของตายภพนี้ได้เลยต้องรอโอกาสให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี้สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ทรงตัดสโรนี้มาสอนให้ผู้อื่นได้รู้และสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพื่อให้ได้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระคำคำสั่งคําสอนไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันรู้ได้เลยถึงแม้เราในยุคนี้มีพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้แพร่หลายไปทุกทุกประเทศคนที่มาเกิดในประเทศที่ไม่มี พ, พุทธศาสนาเขาก็จะไม่รู้เรื่อง ของของการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบของการหลุดออกจากตายพบว่าทําอย่างไรเห็นไห ม, แ, ม, แ, ต แ, มแต่ประเทศที่จเจริญนั่ด้วยถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกนี้ก็เป็นประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาไม่ถึงพระพุทธศาสนากันเขาก็เลยไม่รู้วิธีเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็คิดว่าเขาเป็นร่างกาย และเขาต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายเพียงอย่างเดียวด้วยการหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัสชนิดต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆและก็อาจจะไปทำบาปทำกรรมด้วยการแสวงหาของเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้เขาถึงแม้จะได้มาเกิดในในโลกที่มีพระพุทธศาสนาแต่ พระพุทธศาสนานี้ไม่สามารถเข้าไปถึงตัวเขาได้เพราะเขาไม่สนใจยกเว้นที่บางคนที่มีความสนใจศึกษาที่เราคงจะเห็นคือชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศที่เจริญเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ก็อุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ กับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ <Yes. S 1> มาศึกษามาปฏิบัติเพราะเขาพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเขาทำคาสอนแล้วเขาเข้าใจเขาเห็นภาพเห็นเห็นภาพของตัวของเองว่าเขาเป็นใครเป็นผู้ที่ยังติดคุกติดตารางอยู่เป็นผู้ที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ และเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกจากการวีนไหวตายเกิดนี้เขาก็เลยวุสาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละโอกาสที่เขาจะอยู่อย่างสุขสบายทางทางตาหูจมูกิินกายทางลาบยศสรรเสริญเพื่อที่จะมาอยู่แบบขอทานอยู่แบบพระภิกษุในประเทศไทย ไปอยู่ตามป่าตามเขาส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มาบวชในประเทศไทยนี้จะไม่อยู่ตามวัดบ้านวัดเมืองเพราะเขาไม่เห็นว่ามีการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมีแต่การเรียนมีแต่การทำพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ได้มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็คือให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปเปีกวิเวกไปอยู่แบบมากน้อยสันโดษไปอยู่เพื่อจเจริญสติเพื่อดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปให้ได้เขาจึงแสวงหาภาะปฏิบัติกันจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ มีคุณธรรมขั้นสูงแล้วได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนตัวเขาเองก็ได้บรรลุธรรมกันแล้วก็นำธรรมที่เขาได้เรียนรู้นี้ไปเผยแผ่ให้กับเพื่อนร่วมชาติของเขาต่อไปอันนี้ตามต่างประเทศก็เริ่มมีวัดป่าวัดเขาปรากฏขึ้นมาตามลำดับซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีเลย อันนี้ก็เกิดจากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเราะฉนั้นการมีพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มาเกิดในโลกที่มีพระพุทธศาสนานี้จะเข้าถึงได้ทุกคนแม้แต่คนที่มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอย่างประเทศไทยนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ผู้ที่จะเข้าถึงศาสนาจริงๆนี้มีจำนวนไม่มากเลยเพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังนั่นเองยังไม่ศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของความจริงของตอนเองว่าตนเองนี้เป็นเหมือนกับนักโทษที่ติดคุกติดตารางอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังหลงระเริงอยู่กับการ หาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพภาต่างๆที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ช้าก็าเร็วแต่ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงเพราะถูกความหลงครอบงมจิตใจให้เสพแต่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเกิดมีภาวะชะงักเกิดขึ้น ไม่สามารถที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสได้ตอนนั้นถึงจะเห็นว่าความสุขที่ได้หากันนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขรลอมมันเป็นหนุมพรางของความทุกข์ดีๆนี่พอไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอวันดีคืนดีเกิดมีปัญหาไม่สามารถเข้าถึง ความสุขของรูปเสียงกลิ่นลดผดผลได้ตอนนั้นก็จะเกิดอาการเศร้าเกิดอาการเหงาเกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้และบางทีก็ถึงกับขั้นไม่อยากจะอยู่ต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะเป็นชาวพุทธก็ตามแต่ก็เป็นเพียงพุทธแต่ชื่อพุทธอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ความเป็นพุทธจริงนี้ไม่มีเลยเพราะการจะเป็นพุทธจริงได้นี้ต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องศึกษาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรกันบ้างให้ทาอะไรกันบ้าง เมื่อศึกษาแล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติอย่างเค้่งครัดเมื่อปฏิบัติอย่างเค้่งครัดก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปทีละเล็กเท่าน้อยจนกระทั่งเดินอดออกจากคุกตารางได้อย่างสมบูรณ์อันนี้แหละถึงจะเป็นพุทธแท้ถ้าเป็นพุทธแท้แล้วนี้ อย่าไม่ต้องเจอกับความสิ้นเศร้าไม่ต้องเจอกับความผิดหวังต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้นำมัดระวังไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าอย่าไปหลงเสกยึดติดกับลาบยศสระเสริญสุขความสุขทางตาหูจมูกทิ้งกายเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวจเจริญได้ก็เสื่อมได้ จเจริญราบก็เสื่อมราบได้ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงขณะที่ขายขายของขายดิบขายดีพอวันดีขึ้นดีเกิดมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเในช่วงที่มีโรคระบาดนี้่จากการที่เคยมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาก็หายไปหมดเลยตอนนั้นก็เครียดถึงกับบางทีก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่า ไม่ได้ศึกษาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าลาบยศเสริญสุขนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนมีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีมาได้ก็มีไปได้มีหมดได้ดังนั้นขณะที่มีก็ควรจะรู้จักดูแลรักษาปกป้องมันอย่าปล่อยให้มันไปด้วยการใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบรู้รา ใช้ใจ่ายแบบไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันก็จะทำให้เงินทองที่เข้าหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็หมดไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้ารู้จักว่าวันข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกับน้ำฝนนี่ช่วงนี้ฝนตกเยอะรีบ ต, ตักตวงเก็บน้ำฝนไว้ในที่กักเก็บไว้เพราะวันข้างหน้าเดี๋ยวไม่กี่เดือน ก็ผลก็จะหายไปอาจจะเกิดภายแล้งขึ้นมาต่อไปก็ได้แต่ถ้ามีการกักเก็บน้ําเอาไว้ก็สามารถเอาน้ําที่กักเก็บเอาไว้นี้มาใช้แทนน้ําฝนต่อไปได้งเงินทองที่หามาได้นี้ถ้าเรารู้ว่ามันมีมาได้มันมีหยุดได้มันมีหมดได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเราก็ต้องคอยดูแลรักษา ไม่ปล่อยให้ใช้ไปด้วยความาด้วยความด้วยความมึนเมาอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรซื้อมาทั้งทิ้งทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดมีความสุขอะไรมากไปกว่าที่เคยมีอยู่สุขแค่ชั่วเดี๋ยวเดียวสุขชั่วตอนที่ได้ซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่ไม่มีความหมายต่อไป ต้องไปหาสมบัติชิ้นใหม่มาอยู่เรื่อยๆถึงจะเกิดความสุขอันนี้ต้องระวังต้องอย่าไปติดติดกับความสุขแบบนี้เพราะมันจะทำให้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่นี้มันหมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าเป็นชาวพุทธนี้จะเชื่อพระเจ้าจะใช้หลักการดำรงชีพคือความมากน้อยสันเดษ คือเอาเท่าที่จำเป็นมากน้อยก็คือให้มีเท่าที่จาเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีไม่ต้องเอามาเพราะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรมากกว่าการที่ไม่มีมันไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนเอามาทำไมเอามาแล้วสิ่งที่เราต้องยึดต้องอาศัยจะหมดไปก็คือเงินทองถ้าเป็นชาวพุทธแท้แล้วนี้จะไม่ จะไม่ไม่มีความปัญหากับความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของความสุขจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้จะไม่หลงละเลงเวลาได้ตําแหน่งก็ไม่หลงคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าวันใดวันหนึ่งมันก็มีวันสิ้นสุดลงได้ทํางานกับบริษัทเขาก็แต่งตั้งให้ได้ตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ วันดีคืนดีเขาจะให้เราออกจากงานไปมันก็ตำแหน่งต่างๆเขาก็อาคืนไปหมดเงินเดือนที่เขาให้ก็ เ, เอาไปหมดคืนไม่หมดก็ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้ถ้าเป็นชาวพุทธนี้เราจะได้ศึกษาถึงความไม่แน่นอนของาลาภยศสรรเสริญสุขและความไม่แน่นอนของร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเราก็ไม่แน่นอน จะเจ็บไขยได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ได้จะตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอให้แก่ก่อนค่อยเจ็บค่อยตายก็มีเยอะแยะคนตายตั้งแต่อายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนก็มีตายได้ทุกระดับ ท, ทุกอายุไข่นั่นต้องสอนถ้ามีธรรมะธรรมะก็จะสอนให้คอยเตือนใจคอยทําใจไว้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้แต่ดีอยู่อย่างคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอก เราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้สูญเสียไปกับสิ่งต่างๆเราสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าเรารู้จักวิธีอยู่แบบที่ถูกต้องรู้ว่าสิ่งที่ใจของเราต้องการนั้นคืออะไรใจของเราต้องการความสุขที่ได้จากความสงบไม่ต้องการความสุขที่ได้จากลาบยศเส ร, เ ส, รสุขอันนี้ ถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เพราะว่าความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจะเป็นของที่ไม่เสื่อมไม่จากใจไปใจได้มาแล้วใจสามารถดูแลรักษาให้อยู่กับใจไปได้เรื่อยๆถึงแม้จะเสื่อมบ้างก็สามารถดึงมันกลับมาให้ขึ้นมาใหม่ได้จนไปถึงขั้นสูงสุดคือท่านไม่เสื่อมเลยถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะได้รู้จักวิธีที่จะมาหาความสุขแบบที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อจิตใจก็คือการหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้และการทำใจให้สงบนี้แหละที่จะเป็นวิถีทางที่จะพาให้ใจได้ดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ ร้องการที่ใจมาติดอยู่กับโลกทั้งสามคือใจพบนี้เพราะใจไปหาความสุขจากโลกทั้งสามนีงไปหาความสุขจากการมาพบด้วยการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระชนิดต่างๆหาความสุขจากรูปพบด้วยการเสบรูปประชานต่างๆหาความสุขจากอารูปอารูปพบด้วยการเสบรูปประชานต่างๆนั่นเอง แต่ทั้งทั้งสามอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นรูปประชานหรือเป็นอรูปประชานี้ร่วมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกับราบยศสารนสนุกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเจริญและมีเสื่อมได้เมลาตายไปก็ไปรับผลของการได้ได้สร้างความสุขเหล่านี้มาแต่พอตายไปแล้วเดี๋ยวไม่นานพอไปอยู่เป็นพรหมเป็นเทพได้สักระยะหนึ่งก็จะเสื่อม กลับมาเกิดใหม่กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาดินน้นรนมาต่อสู้มาทำอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นการชีวิตนี้คือการต่อสู้เราก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะได้เอาความสุขมาให้กับใจเราครอบครองแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องหามาเติมมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆต่างกับความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงของใจก็คือความสงบนี่ถ้าเราได้ความสุขจากความสงบนี้ใจเรามันจะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขีดความสุขความอิ่มความพอที่เต็มเปี่ยม้อยเอร์เซ็นต์ แล้วถึงตอนนั้นแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่มีความสุขในใจไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากจากตามจากรูปเสียงกิงก่นรลปดพระจากรูปประชามหรือจากอารูปประชามอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ศึกษาก็เหมือนกับเราอยู่ห่างไกลจากศาสนาเหมือนกับไม่รู้จักศาสนาเลยก็ว่าได้ถึงแม้จะอยู่ในเมืองพุทธมีวัดเต็มไปหมดเลยแต่เรากลับไม่รู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราหาความสุขแบบไหนกันเพื่อที่เราจะได้ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่กันถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้ถึงแม้จะเกิดอยู่ในเมืองพุทธสู้พวกที่เขาไม่ได้เกิดอยู่ในเมืองพุทธแต่เขาขวนขวายเขาค้ขาขนควา้าเขาหาหนังสือมาอ่านพวกที่อยู่ในประเทศที่มีศาสนาของเขาเขาค้นคว้าศึกษาศาสนาของเขาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้คำตอบที่เขาต้องการ ว่าทำยังไงทำให้เขาไม่ท่องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่มีศาสนาไหนนี่ให้คำตอบนี้ได้มีศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะให้คำตอบนี้ได้คือพระพุทธศาสนาเขาก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาเมื่อศาสนาที่เขาเกิดมานี้ไม่สามารถตอบโจทย์ที่เขาต้องการได้เขาก็ศึกษาศาสนาอื่นลองศาสนานั้นศาสนานี้ศานาไปแล้วก็ไป ดนกว่าจะพบกับศาสนาที่ตนเองคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบโจทย์ของเขาได้เขาก็จะมุ่งไปสู่ศาสนานั้นไปศึกษาไปเรียนรู้จากผู้ที่มีความชำนาญมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั้นๆอย่างต่างชาติที่เขาได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ เขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเพราะมีประเทศไทยที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริงประเทศอื่นถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีการปฏิบัติเข้มข้นที่ส่งให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้ถึงมรรคถึงผลได้เหมือนกับที่มีอยู่ในประเทศไทยประเทศอื่นก็ยัง ยังปฏิบัติแบบถูกบ้างผิดบ้างยังไม่ได้ตอบโจทย์บางทีเขาก็ไปประเทศอื่นที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ผลเขาก็มาที่ประเทศไทยกันพวกเราถึงแม้เราจะเกิดในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์การยุติการเวียนว่ายตายเกิดการติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็จะดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราวันดีคืนดีมีโอกาสได้สัมผัสได้ยินได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วเกิดความประทับใจขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าอันนี้คือคาตอบที่แท้จริง พวกเราทุกคนแสวงหาความสุขกันแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์กันแต่สิ่งที่เราแสวงหากันนี้มันไม่ได้เป็นคำตอบหาราบหาเงินหาทองมาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ไดุ้ดได้ตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ยังเจอกับความทุกข์ต่างๆได้รับรางวัลอะไรต่างๆได้รับการสรรเสริญเยินยอยกย่องก็ยังเจอความทุกข์อยู่ ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆกี่ประเทศก็กลับมาก็เหมือนเดิมไม่ได้ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้มันหมดไปเสียทีจนกว่าวันดีคืนดีอาจจะไปหยิบหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติมาอ่านพออ่านแล้วถ้าเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดเห็นภาพขึ้นมาว่าอ๋อความสุขที่กาลังหาอยู่นี้ การแก้ปัญหาของความทุกข์ที่มีอยู่นี้ไม่ใช่เป็นวิธีทั้งที่แก้ปัญหาที่แท้จริงเป็นการสร้างปัญหาให้มีมากขึ้นการที่จะแก้ปัญหาให้หมดไปได้ความสุขจากที่ทแท้จริงนี้ต้องไปหาความสงบของใจเท่านั้นถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วก็จะเริ่มสนใจที่จะไปปฏิบัตินะสนใจที่จะไปศึกษาวิธีนั่งสมาธิกัน วิธีนั่งสมาธินี้จะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขของความสงบในระดับแรกแล้วพอเราได้ปฏิบัติผ่านระดับแรกได้เราก็จะรู้ว่ายังเป็นระดับเชื่อคราวอยู่ยังเป็นระดับที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอยู่ต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อความสุขที่ได้จากการเจริญปัญญา การพิจารณาอริยสัจ ส, สีการเห็นอริยสัจ ส, สีการเห็นใจรักแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปถึงความสุขที่แท้จริงคือความสุขความสงบที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ต้องเพื่อพาอาศัายใต้ภพเป็นแหล่งของการหาความสุขอีกต่อไปผู้ที่ได้ปฏิบัต ขั้นปัญญาคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นสติสมาธิขั้นศีลรักษาศีลห้าศีลแปไปฝึกสตินั่งสมาธิไปได้รูปประชานต่าตได้รูปประชานหรือว่ารูปประชานแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาเพื่อเปลี่ยนความสุขของรูปประชานหรอรูปประชานให้กลายเป็นความสุขของพนันธิพาไปด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุที่ทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นหมดไปก็คือความอยากกิเลสตัณหาต่างๆพอพิจารณาที่ว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนั้นเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรชาณะรู ป, ปรชาญนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ต้องหยุดการแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆเหล่า น, นี้ไปพอหยุดได้ ก็จะได้ความสุขในระดับที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปเรียกว่าความสุขของพันนิพานเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งการมากามหรือรูปเสียงกลิ่นรสหรือรูปประชานหรืออรูปประชานพอไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีการกลับมาเกิดในการมาพบในรูปประพบหรืออรูปประพบต่อไป ก็จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรทุกข์จะไม่มีต่อไปเพราะจะไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมันก็จะไม่มีทุกข์ที่เราทุกข์กันนี้ก็เพราะความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละคือสถานภาพความเป็นจริงของชีวิตเรา และของที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่ทรงได้ปฏิบัติมาก่อนได้เห็นผลดีแล้วจึงนำเอาม า, มาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้กับพวกเราพวกเราถ้าฉลาดเห็นคุณค่าของคำสั่งคำสอนก็รีบศึกษารีบปฏิบัติกัน แล้วก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปเรนติสักลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปะเ เวทชีตังภัตถตังตุมหังคิเป้เมวาสัมมิตาตุสาเพปุเรนตุสังกป a จันโทปนารัส a ยาธามณิโชติรัส t ยาธาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพารุโควินาศตุ มาเตพววตวันตรารโยสุขีทีคายุโกพวะอาพิวะธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมะวาทานติอายุวันโอสุขังฮาลางังช่วงต่อไปก็เป็นการถามตอบคำถาม ใครสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะคุยถามตอบ ก, กันพอเวลาเลิกแล้วจริงจะไม่สะดวกเพราะต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้เข้ามาถามเองหรือเขียนส่งข้อความมาทางกระดาษก็ได้หรือทางเพจก็ได้ทาง u t ท b e ก็ได้ แล้วแต่จะสนใจแบบสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นวันนี้มีชาวต่างชาติมาจากมาเลเซียเดียวถ้ if you want to ask any question you are so welcome to ask now okay in a few seconds just raise your hand วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ ค่ะจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ5 5 YouTube าพระสุชาติไลฟ์2องร้ u ยยี่ดยูทูร์วีหนึ่งร้ n ยสี่สิบเอ็ดวิทยุออนไลน์แปาุติรวม988ท่านค่ะ do you have any questions not right now okay เดี๋ยวเา go to the Thai question นโอเคฝนต ก, ก็เนีนะถ้าใครอยากจะกลับบ้านก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกดังๆก็เสียงก็อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอตามใจนะเชิญถามลแมาาาล้วธีกรรมค่ะพระอาจารย์มีมีคำถามค่ะคืออ่า ที่พระอาจารย์เทศอะค่ะเรื่องเรื่องอโลกมนุษย์แล้วก็โลกทิพย์ก็คือกายเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนร่างอาวตาลแล้วจิตเราเนี่ยก็อยู่ในโลกทิพย์พระพุทธเจ้าท่านก็เลย สั่งสอนเราโดยที่ว่าถ้าจิตเรายังมีปัญหาอยู่ก็คือการมัตรฐหาภาวะตันหาวิภาวะตันหามันจะยังทำให้จิตของเราเนี่ยอยากจะไปหาล่างเพื่อที่จะมาเสบรูปลดกลิ่นเสียงทีนี้ฟังชั่นการทำงานของจิตที่พระเจ้าท่านสอนคือเราต้องตัดความอยากจากการเสบต้องไม่าพ า, าพระอาจารย์อยากจะถามพระอาจารย์นะคะว่า ทีนี้สมมุติว่าเราหนูว่ามีความหลงผิดมาตลอดเลยก็จะคิดว่าจิตจะอยู่ในร่างกายจนเมื่อวานมามาฟังธรรมหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราเราหลงผิดไปเราไม่รู้วิธีการทํางานของจิตทีนี้ถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมเราจะต้องมีการวางแผนหรือ planning ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ทีนี้หนูได้ไ ด, ได้ได้อ่านประวัติของพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์มีมีการวางวางแผนตั้งแตอ่ออกจากงานแล้วก็มาปฏิบัติ แล้วก็มามาบวชเป็นพระพิสุกสงฆ์หนูอยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์นะคะว่าว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ยังต้องทำงานอยู่เราจะต้องวางแผนยังไงบ้างคะก็ลดการทำงานลงอย่าไปเครื่องเงินทอง ที่เราทำงานเพราะเราต้องเช้เงินทองแต่เราลดค่าใช้จ่ายลงได้เราก็ทำงานน้อยลงได้จนในที่สุดก็เริ่มทำงานได้่ะก็คือลดความเสี่ยงความยากทำให้เราใช้เงินน้อยลงพอใช้เงินน้อยลงเราก็มีเวลาที่จะมาปฏิบัติุกป้องไหมคะขอบคุณค่ะพอเราปฏิบัติแล้วก็มีควางสุด เราก็เลยไม่ต้องใช้มันเราก็ออกจากงานได้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือว่าเหมือนกายกายกายร่างเราเนี่ยอยู่ในโลกธาตุเนี่ยค่ะ อ่าโอเคร่างกายเราที่อยู่ในโล ก, กทาตเนี่ยอายุไขเนี่ยคือมีอายุไขยัยมีการเกิดแก่จะบตายถ้าเป็นภาษาขาธุรกิจก็คือพระ เ, เจ้าท่านไม่สอนให้เราไปอินเวสกับตรงนี้ให้เราไปลงทุนกับจิตเพราะจิตมันไม่มีการตายมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดการยั่ยืนลงทุนแบบถาวรค่ะคือถ้าลงทุนกับร่างกายคือไม่คุ้มไม่ได้เท่าไรก็หมดค่ะทีนี้คือถ้าเราเสพเยอะในในใ น, ใ น, ใ น, ในร่างอวตารเราเนี่ยถ้าบับว่าเราต้องเอากําลังบุญของจิตอะ่ะมาใช้ตรงนี้เยอะพอถึงเวลาหมดอายุขกลายเป็นว่า กจิตกำลังเราก <altogether S 1> ็น้อยลงแล้วก็ตกไปเร <all right. S 1> ื่อยๆ แล้วก็ต้องเพื่อการมีร่างกายอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้มีกำลังใจจิตของพระอรหันต์ก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสเคลือบหมดแล้วใส่แล้วก็อยู่ได้ด้วยจิตของตัวท่านเองใช่ไห<ช>มคะไม่ต้องเพื่อความสุขจากร่างกายค่ะทีนี้ถ้าพระอรหันต์ท่านละสังขารไปแล้วอะค่ะท่านยังจะมาโปรดญาติโยมในในโลกธาตอีกไหมคะพระอาจารย์คงไม่นะคะนอกจากควณีพิเศษจาเป็นเพื่อนเก่า คนรู้จักธรรมะแล้วเห็นว่ากํารังต้องการความช่วยเหลือถ้ า, าสอนธรรมะให้ทำ ก, ก็คือถ้ามีบุญสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านจะมาสอนก็มีบ้างาแต่หลองปู่ม่านท่านก็บอกว่าเขาจะจ้ามาสอนกันมาใช่ใช่ใช่ ก็คือยังมีโอกาสถ้ามีบุญสัมพันธ์กันยังไปหวังแบบนี้เลยค่ะยากค่ะตอนนี้มีพระพุทธเจ้ามีพระสงสอนอยู่แล้วค่ ะ, ะอนนอย่างนี้หนูแล้วก็ลูกศิษย์ที่มาฟังพระอาจารย์ก็คือมีบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์มาก่อนถูกต้องไหมคะไม่ง่าหรอกอาจจะมีเจะโอกาสจังหวะได้ยินได้ฟังเข้ามาก็เลยสนใจเลยค่ะ แล้วก็ จ, จะถูกใจเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวถูกใจครับร้านค่ะก็กคือฟังธรรมะแล้วจะริดถูกใจไ ด, ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครั้งนี้มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะไว้ทำได้แล้วกันทำตามที่เราเข้าใจมีสมาธิธิละอ่ามีคําถามก็ถามต่อ คำถามจากผู้ผรับฟังหน้ากุฏิค่ะคำถามที่หนึ่งถ้าถูกสัตว์เบียดเบียนแต่เราถือศีลห้าไม่อยากฆ่าสัตว์เช่นหลวกขึ้นบ้านจะทำอย่างไรครับถ้าไม่ฆ่าบ้านก็พังจะใช้คนอื่นมาทำให้ก็รู้สึกไม่สบายใจขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับก็ซ่อมมันเสียถ้ามันเสียมันก็ซ่อมได้ไม่ต้องหาวิธีป้องกันได้ป้องกันไม่ให้มันขึ้น คำถามที่สองถ้าเราเหยียบมดเหยียบสัตว์ตายโดยไม่ตั้งใจจะผิดศีลไหมครับระวังอย่างมากแล้วครับถ้าไม่มีเจตนาไม่ผิดะไม่บาปจะพูดรับฟังหน้ากุฏิท่านต่อไปค่ะลูกสาวไปอยู่ยุโรปหลายปีเวลาโยมส่งข้อความธรรมะให้เขาบอกว่าแม่อย่าจูงใจมากเขาจะลาออกจากศาสนาพุทธ โยมควรทาอย่างไรดีเจ้าคะก็ปล่อยเขาลาไปสิไม่ใช่เรื่องของเรานะครัำถามหน้ากุฏิการอธิษฐานอย่างไรให้เกิดบา ร, รมีและสำเร็จผลคะอธิษฐานด้วยการกระทำไม่ใช่อธิษฐานด้วยการข อ, อถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ทำบุญเยอะๆรักษาศีลห้าถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ ถือศีลแปดนั่งสมาธิถ้าอยากไปนิพพานก็เจริญปัญญาพิจารณาตายรักอันนี้จังทุกขังอนาตาควบคู่กับการปฏิบัติสมาธิไปด้วยคุณเจษดาพร ก, การที่คนทำบุญแล้วเลือกทำบุญที่ได้บุญเยอะๆแบบนี้จะไม่เป็นการสละละวางใช่ไหมคะกับการทำบุญที่ไม่ได้นึกว่าจะได้บุญมากหรือน้อยไม่เลือก แบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าค้าควรปฏิบัติอย่างไรคะไม่ไม่ถูกก็ต้องเลือกของดีก็ต้องเลือกไปซื้อเสื้อผ้าย่างเลือกเลยแล้วบุญทำไมจะไม่เลือกเพียงแต่ว่าเราจะปฏิบัติถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเช่นเราอยากจะได้บุญขั้นสูงสุดขั้นปัญญาแต่เรายังไม่มีกำลังเราก็ต้องเอาบุญขั้นต่ำไปก่อนขั้นทานไปก่อนเรค่อยสร้างกาลังขึ้นไปสู่ขั้นศีลขั้นสมาธิแล้วถึงค่อยถึงขั้นปัญญา มันเป็นอย่างงั้นแต่ถ้าเรามีศักยภาพสามารถเข้าถึงปัญญาฟังธรรมหนเดียวบรรลุได้ก็เอาเลยจะต้องไปปฏิบัติให้มันเมือม่อ อ, อ, อ, อ, อหลังทำไมหลังขดหลังแขง็งทาไมฟังธรรมหนเดียวก็ได้นิพพานเลยนี้มันเลือกได้ก็เอาถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องทาไปตามกำลังของเราคุณชุมพลมีสองคำถามคะ่ะคาถามที่หนึ่ง การที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ดูจิตหมายถึงดูอย่างไรเหรอครับอ๋อนั่นท่านปัญญาถ้ายังไม่ถึงขั้นปัญญาดูจิตไม่เห็นเนาะต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนถึงจะเห็นจิตได้ตอนนี้เราไม่เห็นจิตไม่รู้ว่าจิตเป็นอะไรเราเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเห็นเบื้องต้นต้องละรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแล้วหันเข้ามาดูจิตด้วยการฝึกสมาธิก่อนด้วยการเจริญสติให้เข้าฌานให้ได้ พอ เ, เข้าชานแล้วจิตจะถึงตัวจิตพอถึงตัวจิตที่นี่เราจะเห็นตัวจิตแท้ๆล่ะทีนี้เวลาจิตมีกิเลสเกิดขึ้นเราก็จะได้หยุดมันได้คำถามที่สองจิตกับใจเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับผมตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ ม, มันมีสองฟังก์ชันไงคือมันทั้งรู้ทั้งคิดเ้าก็เลยเรียกแบ่งแยกฟังก์ชันว่าถ้ารู้ก็เรียกว่าใจถ้าคิดก็เรียกว่าจิต คุณจักรินกระผมได้เห็นจิตผู้รู้และเกิดอุเบกขาในจิตกระผมจะเดินจิตขั้นวิปัสนาอย่างไรดีครับมีความคิดอยู่แต่ไม่มีอารมณ์ในความคิดครับก็คอยดูว่าจิตมีกิเลสหรือเปล่าถ้ามีกิเลสก็ใช้ตายลักเข้ามาหยุดมันท่านันเองถ้าโลภ ก, ก็ใช้ตายลักหยุดถ้าโกรธ ก, ก็ใช้ตายลักหยุดถ้าเกิดการมารบ ก, ก็ใช้อสุภาษหยุดมัน คุณทูม็กซ์มีสองคำถามค่ะคำถามที่1ปกติจะภาวนากาันวันละกี่ชั่วโมงครับและสัด ส, ส่วนการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่อยากจะได้พระโสดาบันครับถ้าปฏิบัติเต็มรูปแบบก็ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลานอนแล้วเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่ได้สติก็ต้องเจริญสติก่อนพอได้สติก็นั่งสมาธิ ก็ช่วงแรกๆก็เอาแต่สติแล้วก็พอได้สมาธิก็นั่งสมาธิให้มากที่สุดจนกะนั่งชำนานเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วถึงค่อยแบ่งไปทางปัญญาพอทางปัญญาก็จะเพิ่มปัญญามากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็น้อยลงได้สมาธิมีไว้ใช้เวลาที่เหนื่อยจากการพิจารณาทางปัญญาก็พักแล้วเข้าสมาธิแทน คำถามที่สองสมาธิตอนตั้งใจทำงานหรือตั้งใจเล่นกีฬาเหมือนหรือต่างกับสมาธิที่อยากให้เกิดตอนภาวนาอย่างไรบ้างครับอันนี้ไม่ใช่สมาธิเขาเรียกว่าสติการมีสติจดจอ่ออยู่กับงานที่เราทำเรียกว่าสติมสมาธิคือจิตนื่งสงบเป็นฌานทีเ่เรียกว่าเป็นสมาธิเราใช้คำพูดผิดไปเราพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทางานเลย ความจริงว่ า, ามันหมายความว่าไม่มีสติใจเราลอยไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่ออกับงานที่เราทำดังนั้นการทำงานนี้จะไม่มีวันที่จะมีสมาธิได้นะผู้ที่จะมีสมาธิได้ต้องไม่ทำงานต้องไปอยู่คนเดียวจเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วนั่งสมาธิให้จิตนื่งสงบเข้าไปสู่ความสงบได้ถึงจะเป็นสมาธิ คุณบ้านบุญลูกชายอายุสิบห้าปีขอถามว่าสวดมนต์นั่งสมาธิมาสามสี่ปีแล้วยังสอบไม่ได้ที่หนึ่งต้องทําอย่างไรครับอ๋อมันพ่อแม่ดูหนังสือมันก็สอบไม่ได้ที่หนึ่งซิอะอยากได้ที่หนึ่งต้องดูหนังสืออย่าไปสวดมนต์ถามคนที่เขาสอบได้ที่หนึ่งว่าเขาเขาสวดมนต์หรือเปล่าเขาดูหนังสือกันทั้งนั้นนะ่ะคุณทูแม็กซ์ พระอริยะส่วนมากแก่ๆ แ, แสดงว่าคนส่วนมากบรรลุกันตอนอายุเยอะใช่ไหมครับเพราะมันใช้เวลาบ้างไงแต่บางคนนี่บรรลุเป็นตอนหนุ่มก็มีพระพุทธเจ้าบรรลุตอนที่35ปีิบ้ปีพระลาหูนี่บรรลุเพียงอายุ20มังไงเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพแวดล้อม มีคูมีอาจารย์หรือเปล่ามีศักยภาพหรือเปล่าเห็นแต่ละคนนี้จะบรรลุด้วยอายุที่ต่างกันไปเพียงแต่ว่าเรามารู้จักท่านว่าท่านบรรลุตอนที่ท่านแก่ควาจริงท่านจะบรรลุตั้งแต่ท่านอายุน้อยหลวงตามหาบัวนี่ท่านบรรลุตอนที่พรรษา16อายุก็36ปีท่านก็นบรรลุแล้วแต่ไม่มีใครรู้จะมาท่านแก่แล้วเป็นหลวงตาแล้วเขจะรู้อ๋อนี่ท่านบรรลุธรรม ถ้าท่านไมเล่าให้ฟังก็ไม่รู้คุณสุกัญญาจิตกับเจตสิก ต, ต่างกันอย่างไรเจ้าคะจิตก็คือเหมือนกับจอภาพจอมอนิเตอร์ เ, เจตสิกก็คือภาพที่ปรากฏในจอมอนิเตอร์น่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเราเรียกว่าเจตสิกไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆนี่เรียกเป็นเจตสิกจิตก็คือตัว ตัวตัวจอที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ในในจิตอีกทีตัวรู้คุณพัทระตั้งใจไปบวชพรามที่วัดกําหนดเวลาสามวันควรจะเน้นปฏิบัติ ด, ด้านใดที่จะได้ผลดีที่สุดครับตามกฎระเบียบเขาเขาสอนให้ทําอะไรก็ต้องทําตามกฎระเบียบเขาแล้วก็นอกกฎระเบียบก็ให้ฝึกสติให้มากๆอย่าคุกคีอย่าไป สังคมกับใครปีกวิเวกพยายามเจริญสติหยุดความคิดแล้วก็นั่งสมาธิให้มากเท่าที่ยามากนั่งได้หมดแล้วเหรอโอเคโอเคก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ